บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดถึงเรื่องของทั้งโยน์มาโดยลำดับซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งโยต์สามข้อแรกนั้นเป็นอาการของโมหะลอวิชา เป็นความหลงหรือความรู้ที่ไม่จริงผนศาสตรใดที่ยังไม่สามารถเสริมสร้างความรู้จริงขึ้นมาได้ลักษณะความเห็นที่เรียกว่าสกายาติฐิคือมองเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาถเราต้งมองเห็นตนเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนก็คงมีอยู่ตรับนั้น ความเครียบแกรงสงสัยที่มีอยู่ในคุณของ ร, รัตนตรครในใจสิขาและปัญหาของชีวิตซึงแยกตัวเองเออกไปเป็นเรื่องในอดีตเป็นเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของเหตุผลคือกฎของปเจยาการก็คงไม่อยู่เมื่อความหลงในระดับนี้มีอยู่ การปฏิบัติตัวในลักษณะยึดมั่นถือมั่นโดยข้อปฏิบัติซึ่งบางครั้งก็เป็นความงมงายร้าเหตุผลเรามากๆบางครั้งเป็นเรื่องของความยึดติดในรูปแบบยันใดยังหนึ่งและปักใจฝังใจลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างที่ทรงใช้คำว่าอิดัมวสัส จ, จังโมคะมันยัง วันนี้เท่านั้นจริงก็าอึดไม่จริงจะก็ให้เกิดความกำหนัดพอใจในข้อที่ตนชอบมีความขัดเคืองในข้อที่ตนไม่ชอบเพราะก็เป็นการสร้างเวทนาขึ้นไปตามความชอบและไม่ชอบของตนดิแต่ก็จะหมุนวนอยู่ในความสุขความทุกข์ คนที่ตัดกิเลสประเภทนี้ลงไปได้ก็คือประโสดาบันประโสดาบันยังแปลว่าพูดถึงกระแสของพปนิพันธ์คือ ง, งแสดงให้เห็นภาพขอชีวิตคนบางคนที่ตกลงไปสู่กระแสน้ำคนบางคนเมื่อตกไปแล้วก็จมหายไปเลย หมายถึงคนประเภทที่ปล่อยกายปล่อยใจของตนให้ตกอยู่ภายใต้หลุมบ่อของความชั่วทั้งใดายที่ตกเป็นทาตสิ่งเสีติดตกเป็นทาตของบายมุกตกเป็นทาตของทุจริตต่างๆจะมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นจนตลอดชีวิตเป็นชีวิตคนประเภทที่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปหาความสุขความเจริญไม่ได้ วันเึ่นสังเกตว่าในลักษณะนี้จะใช้คำว่าตกเรนว่าตกอบายตกนรกเป็นการพูดถึงสภาพจิตที่ตกตกลงไปจากกระแสของธรรมะเข้าไปสู่กระแสของบาปของกุศลเราไ ม, ไม่ไม่สามารถจ ะ, จะดึงจิตของตนเข้ามาสู่กระแสของธรรมะได้ เลยกลายเป็นกลุ่มคนประเภทที่จมหายลงไปเลยมีคนอีกประเภทหนึ่งตกลงไปแล้วแต่ว่าก็โผล่ขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งก็ตกลงไปอีกแต่ก็โผล่ขึ้นมาได้อีกเป็นลักษณะทั่วไปของสามัญชนทั้งหลาย คนนี้ต้นสาธาชนตั้งหลายจะสังเกตในช่วงสั้นๆคือสภาพจิตของเราแต่ละคนนั้นไม่สามารถจะประคับประคองรักษาอยู่ในกุศลได้ตลอดไปไมีลักษณะขึ้นๆลงๆเช่นเจริญสมาธิก็อยู่กับสมาธิไม่ได้ตลอดแม้แต่สติที่ตั้งใจระลึกอยู่ที่บทพุโทโธก็ระลึกอยู่ไม่ได้ตลอด การฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะหรือการทำภารกิจการงานในชีวิตประจำวันมันจะมีลักษณะที่ขาดความต่อเนื่องซึ่งพระเจ้าทรงใช้คำว่าสาตจักิริยตาคือขาดความเพียรพยายามที่สืบต่อกันไปโดยลำดาบ แม้ในการปฏิบัติตนในช่วงยาวๆเช่นสมมติว่าเคยให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำชีวิตของตนนั้นอยู่ในครองของกุศลรนรั้นแต่ว่าจริงแล้วก็ทำไม่ได้ตลอดทำได้ตลอดก็ทำไม่ได้สม่งเสมอเพราะการปฏิบัติธรรมะเวลาพูดถึงรายละเอียดที่ท่านพูดถึงความต่อเนื่อง เทคโอกลยีให้ทานทำยังไงถึงจะรักษากุศลและเจตนากนให้ขณะให้และหลังหลังจากให้ไปแล้วไว้ได้การรักษาศีลทำยังไรจะมีความต่อเ น, นื่องมีกุศลและเจตนาเกิดขึ้นมองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นคุณของการมีศีล แล้ตั้งใจวิรัติงดเว้นไม่ร่วงละเมิดบทปัญญัติของศีนนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศีนห้าช่วงการตั้งใจงดเว้นเป็นช่วงสั้นๆในช่วงของการสารวมระวังไม่ร่วงละเมิดบทปัญญัติของศีนเป็นช่วงที่ยาวมากประณานสําคัญว่ารักษาได้หรือไม่ได้ เราก็จะเห็นความจริงว่าเอาก็จริงแล้วการรักษาศีลเป็นไปไม่เพื่อตลอดประจุระยะเวลาหนึ่งอาจจะไม่ครบเจ็ดวันเช่นสมาทานศีลห้าไปวันเสาหนึง่งก็ถึงวีนเสาหนึ่งปรากฏว่าเหลือไม่กี่ข้อหรืออาจจะไม่เหลือเลยก็ได้นั่นแสดงให้เห็นถึงอาการที่จมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีก แล้วก็โปลขึ้นมาแล้วดูแล้วก็ยังไม่ตายพอสามารถจะโผลขึ้นมาได้แต่ชีวิตก็มีความเสี่ยงอยู่สูงเพราะโอกาสที่เราจะดับจิตในขณะใดมันก็ดูไม่ได้เพราะจิตของสามัญชนนั้นเวลาร่างกายก็อ่อนแอจิตจะอ่อนแอตามไป ด้วใจจะเป็นเหนียวนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีแล้วตายไปด้วยใจที่ขุดหมวดซ้ำหมองโอกาสที่จะตกระบายมันก็มีได้ง่ายเพราะนั้นสามัญชนท่านยังถือว่าเป็นคนที่ยังไม่แน่นอนไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่เราพูดจำนวนไทยว่าช่วยเจ็ดทีดีเจ็ดคน อเป็ในแนวของการหกล้มหกลุกอยู่อย่างนี้ผู้คนอีกประเภทหนึ่งนั้นจนลงไปแล้วโผล่ขึ้นมาและประคองตัวเองไว้ได้หมายถึงคนที่เป็นสัตบุรุษอยู่ในศีลในธรรมอย่างท่านสาสารณชนทั้งหลายที่มีการศึกษาทรรมปฏิบัติธรรมกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่เราสังเกตว่าการประคองตัวอยู่ในน้ำมันโผล่ได้เฉพาะศีสระเท่านั้นเองร่างกายเราจะคอจากบ่าลงไปมันก็อยู่ใต้น้าการประคองตัวถ้าเกิดมีปัญหาในส่วนตัวเช่นเป็นตะคิวปัญหาจากสัตวร้าจากปลาร้ปัญหาจากขึ้นปัญหาจากน้ำบนปัญหาจากจระเข้บังอางจะเกิดขึ้นได้เท่านั้น สถานการ์อยู่ในกระแสน้ำจึงมีความเสี่ยงแม้เราจะประคองตัวไว้ได้แต่ก็โผล่ไวเ้เฉพาะศีรษะหายใจได้จากบ่าถึงเท้าจนปลายเท้ายังต้องเสี่ยงอะไรตัวอีกมากในจุดนี้เองเราจึงพบว่าพระเจ้าทรงแสดงอันตรายภายในแม่น้ำเทียบดุบ เทียบกบอันตรายที่มีอยู่ในน้านจริงๆเป็นรายในที่นี้ที่อยู่ในกระแสสิตของคนอันตรายประเภทแรกท่านเรียกว่าไพคือครึ่นเป็นลักษณะของอารมณ์ที่อ่อนไหวไปกับสิ่งที่มากระทบใจเหมือนก็เป็นแผลคือโกรธง่าย กระทบอะไรนิดกระทบอะไรหน่อยโกรธง่ายเป็นคนหงุดหงิดหาเรื่องโกรธได้เรื่อยๆเชียงนกเชียงการ้องก็โกรธบางทีลมพัดใบไม้ไหวก็โกรธแม่วิ่งจับหนูแล้วก็โกรธฝนตกก็โกรธแดดออกก็โกรธน้ำมากน้ำน้อยโกรธได้ทั้งนั้นนั่นเป็นลักษณะของใจที่มันเป็นคลื่นเหมือนกับ น, น้ำ มีคนไม่มีความสงบเราจะมองหน้าของเราสองดูเงาหน้าของเราจากน้ำที่เปืนคลื่นมันก็มองไม่ชัดจี่ใจของบุคคลเราที่ถูกความโกรธครอบงำก็เป็นเช่นเดียวกันจะเป็นเมื่อน้าที่เดือดพล่านจะมองไม่เห็นเหตุถึงผล คนบางครั้งบางคราวเวลาบันดาลโทสะขึ้นมาเรื่องที่ไม่น่าพูดก็พูดเรื่องที่ไม่น่าทําก็ทำแต่พอสติสัมปชัญญะกลับคืนมาก็สานึกเสียใจแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ทําไปแล้วจะทําทได้ก็แค่ขอโทษคนที่เราล่วงเกินแต่ความผิดที่ทําไปแล้วก็คงเป็นความผิด อย่างพุทธศาสนาสุภ า, ภาษิตที่แสดงมาว่าการตัดสานติปฏิกา ร, ร่างสิ่งที่เราทำไปแล้วจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็ทำคืนไม่ได้ผิดก็ผิดไปเท่านั้นถูกก็ถูกไปเท่านั้นถ้าเป็นการล่วงเกินต่อคนก็คงทาได้แค่การขอขมาโทษเข า, า, เขาแต่เราจะไปแก้ความผิดในดีแล้เป็นความถูกก็ไม่ได้ ไคก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปของคลื่นคือโทสะเกิดทาใจบางคนให้ไม่มีความสงบหาเรื่องหงุดหงิดรำคาญในะแก่ตนได้เรื่อยๆเพ ร, ราะอะไรเพราะมองสิ่งตั้งหลายในแนวที่ทรงใช้คำว่าป ฏ, ฏิฆะนิมิตคือมองในแง่รำคาญมองในแง่ไม่ดี ที่จะบังคับคนนั้นคนนี้คนโน้นให้เป็นไปาตามที่เราต้องการโดยลืมการควบคุมบังคับใจตัวเองเพรา ะ, ะ น, นเราสังเกตดูให้ดีว่าคนที่อ่อนไหวชอบสั่งอย่างนั้นชอบสั่งอย่างนี้ชอบสั่งอย่างนู้นไอ้คนนั้นทำนั้นคนนี้ทำนี้คนโน้นทำโน้นคือคนที่จิตใจอ่อนแอคุมใจตัวเองไม่ได้คุมใจตัวเองไม่อยากสั่งคนอื่นไม่ได้ แล้วพอสั่งมันก็เดือดร้อนกับการสั่งเพระบางทีเขาไม่ทําตามหรือก็ทําตามก็ไม่ทําตามที่เราต้องการเราก็เกิดโกรธคือเพิ่ม ค, ความโกรธให้แก่ตนได้ด้วยอันตรายประเภทหนึ่งของอุปมาเป็นน้นําบุญภาพของน้ําบุญในทะเลก็ดีในแม่น้ำํำใหญ่น้าคลองก็ดีโดยจะเห็นว่าน้ํามันจะหมุน แล้วก็อะไรก็ตามที่ตกลงไปในนั้นถ้าในมหาสหมุทรแม้แต่เรือใหญ่ๆตกไปก็จะถูกน้ำบนพัดหมุนเอาให้แตกทำลายไปได้นิคนสัตว์ตกไปแล้วโอกาสรอดในยากลักษณะน้ำบนในจิตใจของคนก็คือกามคุณจิตใจที่มีความกำหนัดเพลิดเพลิ น, นชื่นสมยินดี เกาเกี่ยวยึดมั่นคขว่คว้านกระสันอยากในอารมณ์ประวัติอดีตบ้างอนาคตบ้างเลิดเพนกับปัจจุบันบ้างใจจะกําหนดอารมณ์เหล่านั้นในแง่ดีจะเกิดไ่อยคว้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นมีความขนาดเพลิดเพินชื่นชมยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น ที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าเลือกเก็บพวงดอกไม้แขออ่งมานทำนองคล้ายๆกับคนที่เข้าไปในสวนดอกไม้ซึ่งมีดอกไม้นานาพันได้เป็นคนพอใจติดใจชอบใจในดอกไม้ทุกๆชนิดทุกสีทุกทกลิ่นทุกรูปทุกขนาดมันจะมองเพลินไปเรื่อย ตาดูไปสายไปใจก็คิดไปชอบไปนี่บางทีก็ลืมการเวลาผ่านการเวลาไปถึงตกค่ำคืนดึกเดือนไปก็ได้จะมีความความกวหนัดเพื่ เ, เมากคพราลักษณะอารมณ์เหล่านี้ก็คือกระแสของโลกวัตถุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนั้นเราเรียกว่าเป็นวัตถุ ก, กาม เราอาจจะสัมผัดดสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายคือแม้แต่นำมาเหนียวนึกด้วยใจแต่การจะเป็นวัตถุกรามหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุนั้นแต่มันอยู่ที่ใจคนไปกำหนดเอาเรากำหนดว่าสวยก็สวยสำหรับเราเรากำหนดว่าไพเราะมันก็ไพเราะสมหับเรา กำหนดว่าอร่อยกำหนดว่าหอมกำหนดว่าน่าจับต้องมันก็อร่อยก็หอมก็น่าจับต้องสำหรับเราเราจึงพบ ว, ว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันชอบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เหมือนกันแสดงเห็นว่าอะไรแสดงเห็นว่ามันเกิดขึ้นจากใจเรากำหนดตัวเองถ้าใจเราไม่มีเชื้อสิเลตอยู่ภายในใจ สิ่งเหล่านั้นก็คงเป็นสิ่งเหล่านั้นเขามีอยู่อย่างที่เขามีอยู่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใต่ใจคนจะไม่กำหนัดเพลิดเพลินไม่กระสันจักยามสิ่งเหล่านั้นแตกทำลายไปก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะสิ่งนี้ต้องแตกดับเป็นธรรมดาก็ๆๆแตกดับไปแล้ว ท่านไม่เศ้าสเกเสียใจในสิ่งเดล่านันเพราะใจท่านไม่มีความรู้สึ ก, กว่าเป็นของท่านที่เล็ประเภทนี้เป็นเล็ดที่ใหญ่แม้พระโสะดาบันเองก็ยังละไม่ได้ยิ่งแต่บันเผาควบคุมแม้าการกระทำรุนแรงหรือพูดรุนแรงจนปรหเทตกกบบาย ประโสดาบันจึงเรี่ว่าผู้ปิดประตูนรกได้ส่ารับประการได้เฉพาะจากจุดนี้ไปแม้ท่านที่รับผลของการปฏิบัตริระดับสมถะกรรมฐานที่เรียกว่าเป็นฌานอันที่จริงแล้วท่านที่บรรลุฌานถ้าตายด้วยจิตที่ยังเป็นมีฌานอยู่ รับประการได้เพื่อการว่าบังเกิดในรูปกอ ม, มหรืออรูปกอ ม, มตามกาลังของชานที่ท่านมีในขณะนั้นนั้นแต่เพราะชานมันเสื่อมได้อาจจะเสื่อมไปก่อนดับจิตก็ได้จึงรับประการลงไปจริงๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นสภาพที่ยังไม่แน่กิเลสที่สงบไปมันเพียงแต่กดกิเลสเอาไว้ไม่ใช่ดับอิก ถูกกแทกกระทันกระทบจากอารมณ์ข้างนอกอาจจะอ่อนไหวไปขึ้นมาก็ได้เพราะนวัตุกรามข้างนอกนี่ึงสังเกตว่ามันไม่จะอยู่โดยปกติของมันแต่จะมีสื่อเข้ามาปลุกเราจิตใจของบุคคลให้อ่อนไหวรักใคร่ใขว้ควา ย, ย, ย, ยปรารถนารูปไม่ได้วางอยู่เฉย แต่รูปนั้นอาจจะมีความเคลื่อนไหวเพื่อยั่วยให้เกิดความกำหนัดเคลื่อนหรือมีคนมาโฆษณาประชาสัมพันธ์มาน้มน้าจิตใจด้วยโวหารวิธีการต่างๆอย่างคล้ายๆกับเพลงเรื่องลิลิตปราลอ่เรออ่านเราจะเห็นว่าพระลอนั้นไม่ได้เห็นพระเพื่อนพระแพง จะเกิดความกระสัญอยากอย่างแรงต้องการจะเห็นพระเพื่อนตกแต่งเพราะได้ยินเสียงเพลงที่สังเกตนั้นแสดงว่าเสียงปรุงให้เกิดรูปเราก็จิน ต, ตนาการถึงรูปแล้วจะสวยผิดปกติจะงามผิดปกติเพราะการปรุงแต่งเอาเป็นภาษาของกวีก็เรียกว่าจินตกวีหรือปฏิภาณกวี หรว่าในเรื่องพระภัยมณีที่หลงรูปนางระเวงวันลาก็กมีลักษณะอย่างนั้นเอารูปเขียนเป็นสื่อกระตุ้นความอยากดูอยากขึ้นชมจิงแต่เรื่องออกมาตามที่ต้องการเพราะฉะนั้นวัตถุกรรมจึงไม่ได้วางอยู่นิ่งๆแต่เป็นวัตถุกรรมที่ถูกปรุงพยายามโน้มน้าจิตใจของบุคคลให้ เกิดความกำนัดเพลิดเพลินยินดีอยากได้ต้องการงการแก้ปัญหาข้างนอกนี่แก้ไม่ได้เพราะสภาพโลกก็เป็นอย่างนั้นเองก็เป็นตั้งแต่ไหนมาแล้วสต่ว่าปฏิบัติในส่วนนี้พระเจ้าจึงมุ่งแก้ภายในใจเรามุ่งให้บุคคลบรรทรผ่อนคลายความกำนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ทั้งหลาย เพราะไรเพราะว่าใจที่กิเลสมันเจือจางเบางออกไปนั้นเชื่อว่ากิเลสไปอยู่ประเภทนิวะประเภทสังโยชน์อย่างที่กำบังกา่นัน่นั่นจะมีลักษณะเหมือนตะกรันจะอยู่ใต้ก้นพัชณะตุ้มใหญ่ๆ่ถ้ากิเลสไม่แรงจริงๆกับปรุงแต่งไม่แรงจริงๆ จ, จะทนได้จะไม่อ่อนไวหวต่อลมตอนนั้นได้ แต่แรงจริงๆก็เอามาอยู่เหมือนกันเพราะงั้นตราบใดที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันจึงถือว่าไม่แน่อาจจะกลับไปสู่อำนาจของกิเลสเห่านั้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้จะรูปว่าเทวดาตกสวรรค์ฤาษีตกจากฟ้าครมจุติจากพรหมโลกเัมืนั้นลัษณะอาร ม, ม์อีกประการหนึ่ง ตีกระตุ้นในทางราคะหรือกามาราคะความก น, นัดเพื่อเพลินยินดีมีความต้องการในทางเพศคือรูปเสียงกลิ่นรสปัตภะของเพศตรงกันข้ามที่เป็นที่ตั้งแห่งความกนหนัดเพื่อเพลินยินดีของอีกเพศหนึ่งที่เราจะเห็นว่าในกามาวัจรภูมิ คือพวกอบายสี่มนุษย์หนึ่งและสวรรค์หกจิตใจของบุคคลยังเกี่ยวเกาะอยู่ด้วยวัตถุ ก, การมในความกำหนัดเพื่อเพลินชื่นชมยินดีอยากได้อยากซื้อยากเป็นแต่แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็มีกำหนัดเพื่อเพลินชื่นชมยินดีพนุตสนมบวงแลนดูแลรักษาป้องกันจนถึงก็ต้องจ้างต้องวานต้องมีคนคุ้มครองดูแล จิตใจก็คงมีความวิตกกังวลห่วงใยไม่ค่อยมั่นใจในชีวิตไม่มั่นใจในทรัพย์สินมั่นใจในภารกิจการงานต่างๆเป็นต้นจิตใจจะมีอาการตื่นตระหนกอยู่ไิเไดแต่ว่าคนก็ยังไปควา้าปราถนาะเมื่อสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปสลายไปหรือแตกทำลาย เขาจะเกิดความเทรากสีใจนี่คือสูตรเขาเป็นอย่างนี้แล้วเกิดขึ้นที่ใจใครก็ตามเขาก็คงเป็นเขา อ, อย่างนั้นเพรา ะ, ะความรู้สึกที่เรียกว่ากรรมาราคะคือความกำหนัดในทางเพศรับใดที่ยังอยู่ในชั้นก า, มารมวาจาภูมิคือจิตยังอยู่ระดับนี้ จะนั้นโอกาสที่ยอ่อนไว้ไปตามอำนาจของอารมณ์ที่มากระทบมันก็มีได้อยู่เลยแม้แต่จิตใจที่สงบด้วยกำลังของฌานก็อยู่ในสภาวนั้นเพียงแต่ว่าอ่อนไหวน้อยๆถ้าอารมณ์กระแทยกระทันไม่รุนแรงก็คงทนอยู่ได้ประการต่อไปก็คือการเดินแก่ปากแก่ท้อง เดวเข็นแกกินตรงใช้คำว่าภัยคือจรเข้เป็นเรื่องของความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในการบริโภคในการกินแล้วบางทีก็ต้องตายเพราะการกินเป็นเด็ดัั้นจิตใจในแนวนี้คือจิตใจที่ยังหมุนวนแม้ประคองตัวอยู่ในน้ำได้แต่ก็เสีย เพราะย ง, งสะแสดงถึงบุคคลกลุ่มหนึ่ก็เคยตกลงไปในกระแสน้ำเหมือนกันแล้วเคยจมเหมือนกันเพียงแต่ว่าโผล่ขึ้นมาได้มีเรี่ยวแรงว่ายน้ําทวนกระแสขึ้นไปเพราะนี้เป็นภาพที่เราเห็นได้ชัดมากพราะสิ่งมีชีวิตที่ตกอยู่ในกระแสน้ําตกลงไปในกระแสน้ํานั้น ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็ตามถ้าลอยไปตามกระแสน้ำก็แสดงว่าตายแล้วแต่ถ้าพยายามทวนกระแสน้าขึ้นไปแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่เพราะการพยายามทวนกระแสกิเลศคือการแสดงต่อความมีชีวิตทวนได้บ้างหรือทวนได้น้อยเพราต้องพยายามทวน ่นในขณะที่นั่งทำความสงบในการฟังธรรมะโดยการนั่งสมาธิอาจจะนึกอยากจะหยิดอะไรอยในอย่างันเลยอาจจะนึกอยากจะคุยอาจจะนึกอยากจะลุกขึ้นเดินแต่ก็ต้องมีสติยับยัางชั่งใจ เพรการกระทำทุกอย่างของเรานั้นจะเป็นการขัดขวางต่อธรรมะปฏิบัติของเราเองและของคนอื่นเป็นการสแสดงเป็งการขาดความเคารพตอบ ร, รัรัตนาใจสติสัพัญญาก็เกิดขึ้นคุ้มครองใจห้ามใจเอาไว้ซึกงภาพเหล่านี้เราจะเห็นว่า ในสมัยที่พระเจ้ายัางทรงประัวเวลาพระเจ้าประทับอยู่เวลาพระเจ้าแสดงธรรมจะไม่มีเสียงคุยจะไม่มีแม้แต่เสียงไอเสียงจามแต่ละคนจะดูแลซึ่งกันและกันจนในสุดทุกคนก็เป็นอาชาไนาคือเป็นไปได้โดยอัตโนมัติเองมันแสดงให้เห็นถึง ความรับผิดชอบตัวตัวเองต่อธรรมะและต่อสมาชิกภายในสังคมที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้ น, น, นใจก็ต้องมีกำลังคือความเพียรสติสัมยัญยะทวนกระแสของความอยากอยากทำอยากพูดอยากคุยอยากยิบสวยอยากอะไรก็ตามต้องคุมไม่ได้ถ้าคุมไม่ได้ก็คือการลอยไปตามกระแสกเส เป็นการใช้ชีวิตในแนวประมาทเป็นการทำลายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของคนอื่นก็คือว่าเดินก็สู่กระแสของความตายจากที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าชีวิตของคนเรานั้นคนที่ประมาทแม้มีชีวิตอยู่เดินทางไปไหนมาไหนได้พูดได้ทำได้แต่ก็เป็นเหมือนคนที่ตายแล้ว เพราะอะไรเพราะเขาไหลไปตามกระแสของความประมาทขาดสติในการทำในการพูดในการคิดเพอรเรอหลงลืมเลือเล่อนเรือนขาดความรับผิดชอบแต่ถ้าใครก็ตามที่ทวนกระแสอารมณ์เรนกระแสกิเลสขึ้นไปได้ในระดับใดก็ได้เขาจะแสแดงถึงความมีชีวิต จะเป็นการแสดงเห็นว่าโอกาสที่เขาจะสัมผัสผลที่ลึกซึ้งขึ้ไปกว่านั้นก็มี่ถูกเพราะไรเพราะการทวนกระแสขึ้นไปนั้นทำให้เ ร, ราใกล้ฝั่งเกิดไปทุกสนะแต่ถ้ามายืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าถึงฝั่งหรืถึงกระแสพวกนี้ไม่ย้อนกลับเข้าสู่ทังสารวัตรอีกแล้ว กิเลสันใดที่ท่านละได้แล้วท่านจะไม่ย้อนคืนมาหวนคืนมาสู่อำนาจของกิเลสนั่นอีกเป็นการละได้ดังเด็ดขาดจริงๆอุบะมาว่า น, น้ำลายที่เราถ่มออกไปจากปากแล้วไม่มีใครที่จะไปดูดคืนอีกต่อไปกันใดกิเลสที่บุคคลระดับนี้ท่านละได้เป็นการละได้เด็ดขาดซึ่งเป็กับคนประเภท คุกบโอยู่ในน้ำหรือว่าประคองตัวอยู่ในน้ำหรือแม้แต่กำลังว่ายเข้าไปจะสูบปลาโอกาสที่ยอดไว้ไปกับอารมณ์มีอยู่ได้แบบนั้นเพราะสภาพเวดล้อมรอบตัวผลเป็นสภาพที่ถูกปรุงแต่งของกลุ่มผลประโยชน์ทัางหาด้วยดยการหลักก็คือยั่วยวนกับยั่วยุวยว ดยยวนเพื่ออยากด้วยยุเพื่อใหกรดทีนี้คนเราถ้าหลงไหลไปตามหน้าของการด้วยยวนด้วยยุมันก็กลายเป็นความประมาทถ้าตกลงไปมากมันกลายเป็นความมัวมเมาที่คนเมาในวัยในชีวิตในความมันมีโรคในทรัพสมบัติในฐานะตาแหน่งอะไรต่างๆอายุอามตั้งมากแล้วยังเมาไม่หาย นั้นแสดงเห็นเรื่องการถูกปรุงแต่งของอารมณ์ที่มีการด้อยยุ่ยด่วนกับโดยประการทางต่างต่อจานี้ไปขอให้ตั้งใจทงความสงบสุดต่อไป